ตุลาคม2524ที่เราได้เดินทางมาพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันสำหรับอาตมาจะได้ให้ข้อคิดเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คนเรากลัวคนเรากลัวโดยไม่มีเหตุผลถ้ากลัวโดยไม่มีเหตุผลนั้นเขาเรียกว่า คนป่าคนป่านี่ก็หมายถึงคนที่ไม่รู้นั่นเองไม่ใช่คนเกิด อ, อยู่ในป่าในดงคนป่าก็คือคนขาดการศึกษาขาดการนึกการคิดถ้าเราขาดการนึกการคิดแล้วเราจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเดังนั้นคนเราเมื่อเป็นคนกับมนุษย์ไม่เหมือนกัน เราจะเห็นได้ด้วยตาเช่นคนเราบางคนไม่เคยมีอายอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปอยากกินอะไรก็กินไปอันนั้นเรียกเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่เองบัด น, นี้ร้ายลงมากว่านั้นเขาเรียกว่าสัตว์แต่หน้าตาเป็นคนจิตใจเป็นสัตว์คาว่าสัตว์ในที่นี้ ก็คือคนไม่มีอายนั่นเองเหมือนกับสัตว์เวลสารที่เราจะเห็นด้วยตาสัตว์เวลสารนี่มันอยากทำอะไรที่ไหนมันก็ทำไปมันไม่รู้มันไม่รู้อายคนก็เหมือนกันแต่สำหรับคนกับสัตว์นี่มันมันอันเดียวกันแต่หน้าตามันเป็นคนจิตใจเป็นสัตว์คำว่าสัตว์โดยที่นี่ก็หมายถึงบุคคลไม่เคยพัฒนาตัวเอง คนใดเมื่อพัฒนาตัวเองนี่ยหละเลือนซันขึ้นจากคนเป็นมนุษย์มนุษย์หมายถึงบุคคลผู้มีมรณะหรือผู้มีจิตใจสูงคนใดยังจิตใจต่ำํำก็คนนั้นก็เรียกอย่างเป็นคนเมื่อคนใดจิตใจสูงก็คนนั้นเรียกวมนุษย์มนุษย์จึงออกเป็นผู้มีใจสูงเมื่อพูดถึงมนุษย์ผู้มีใจใจสูงผู้ผู้มีจิตใจสูงนั้น สูงไปเหนือคนธรรมดาธรรมดานี้อองแต่หน้าตาเป็นคนจิตใจเป็นมนุษย์เส้นมนุษย์นี่ต้องรู้จักเส้นผีนี่ก็ต้องรู้จักเพราะรู้จักว่ามนุษย์เป็นพวกมีใจิตใจสูงผีเนี่ยถ้ า, าฟังเป็นจริงๆแล้วทุกคนที่อาตมาจะถามดูพวกทุกคนที่มานี่ก็ต้อได้ศึกษามาพอสมควร เคยได้ยินไหมที่ว่าเขาว่าไอผ้ผีหนูนี่คือผีเคยได้ยินไหม <laughs> ถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องพูดให้ให้ได้ยินไม่ใช่จะมาลุกหัวด้วยกันคือคืออะไรต้องพูดให้รู้จักว่าคำว่าผีนี่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินเขาาคนที่ทำชั่วพูดชั่วเขาเรียกว่าไอผ้ผีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาว่า นางนี่คือผีนี่เขาว่าอย่างไงเคยได้ยินอย่างนี้คือไหมเคยได้ยินอย่างนั้ น, นบัด น, นี้ถ้าพระเนนแบบนี้พระเนนที่บวชมาก็เหมือนกันถ้าพูดยากคือไม่รู้จักธรรมะวินวันยก็เรียวกว่าพระก็เหมือนกันกับผีบัด น, นี้ถ้าเป็นคนจีนแบบ น, นี้จีนก็เป็นคนผีเหมือนกันถ้าเป็นฝรั่งเป็นคนอังกฤษคน อ, คนอเมริกาก็เป็นผีเหมือนกัน แต่หน้าตาเป็นคนจิตใจเป็นผีนี่คาว่าผีนะไอผ้ผีไม่ผีเนะีไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้หลือวมนุษย์รู้จกักคันท่าใครยังกลัวผีอันนั้นเป็นเพียงคนบางทีอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นผีก็ได้ผีมันต้องอยู่กับผีคนจะอยู่กับผีไม่ได้ต้องจิตใจต่ําไปอีกถึงจะไปเป็นผีแล้วคนจะกลัวผี ตนกลัวผีก็เลยจิยตใจตั้กลัวผีเมื่อพูดถึงเช่นนี้อาตมาจะจะขอพู้ค่มจริงในสมัยเหนืออาตมาไปวัดฤๅษีรธ ร, รมคุณวัดวฤๅษีรธรรมคุณนี่เขาเอาคนตายไปฝังที่นั้นน่าจะไปจูดที่นั้นเมื่อไปจูดที่นั้นบางข้างบางเขาเขาจูดคนมันไม่ไม่หมดเขาไปฝังไว้บางคนเขาไปฝังเบ็ดเบ็ดตายแล้วอาไปฝังหมามันไม่เคยกลัวคนตายไม่เคยกลัวผี มันไปคดคุยเอามากินกินคนตายกินผีแล้วคนใดไปกลัวผีก็อันนี้พูดตามคมจริงนะเนี่ยถ้ทัศน์นะเข้าใจว่าจิตใจต่ํากสุ น, นักจิตใจต่ำโกม้าพราะหมาไม่เคยกลัวผีเนี่ยพวกพวกเธอจะจะเข้าใจไหมที่พูดอย่างนี้นนคุณในกลัวผีนะก็ยิ่งลายกลัวหมาแต่หมาไม่เคยกลัวผีไปที่มืดมันก็ไม่เคยกลัวผีหมาไม่เคยกลัวเลยเข้าป่าฟ้ามันก็ไม่เคยกลัว เนี่ถ้าถ้าพูดถึงผีแับ น, นี้คนแท้ๆถ้าหากเราเป็นคนต้องพัฒนาขึ้นให้มันสูงกว่าสัตว์คือพูดนี่ผูก้กลจริงถ้าใครเห็นสุนัข ก, ก็เห็นได้นี่สุนัขไม่เคยกลัวผีไม่เคยดูเรื่องงามยามดีคนไปดูเรื่องงามยามดีอีกแล้วสิสุนัขมันไม่เคยไปดูไม่เคยดูเรื่องดูยามนอนไหนไปไหนมาไม่เคยกลัวว่าวันนั้นดีวันนี้โชคไม่เคยกลัว นในบันทึกคนล่ากันถ้าหากพูดตามเรื่องนี้แล้วอาตมาเข้าใจว่าจิตใจของคนนั้นยังตําไปปร่าสุนักอีกแล้วสูนักไม่เคยกลัวลึกงามยามดีไม่เคยคนไปกลัวลึกงามยามดีอีกแล้วนี่นี่แหละเรียกว่าอันนี้พูดคนจริงถ้าผูดคมจริงเช่นนี้คนไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบจริงจริงแต่คมจริงเนี่ยเป็นทําไมจึงไม่ชอบแต่ยังไงก็ตามคนมันชอบคนจริงแต่เมื่อพูดคนจริงให้ฟังเลยไม่ชอบ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพูดความจริงให้ฟังเพราะเรามาด้อยามาประสมกันหรือมาพบปากกันเข้าก็ต้องพูดความจริงถ้าไม่พูดความจริงเขาล็อกคนหลอกลวงเขาล็อกผลหลอกลวงชืจะนี้อันนี้แหละที่นํามาเล่าให้ฟังถ้าหากเป็นมนุษย์ไม่เคยกลัวผีไม่เคยกลัวเทวดาเนี่ยตอนนี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องอาตมาเคยไปเห็นสารพัดภูมิ สมัยอาตมาไปจําพรรษาที่วัดสุพรรนก็มีเป็นทหารคนนั้นเป็นทหารเป็นทหารเวลาเครื่องบินจะขึ้นเครื่องบินจะลงในสนามบินเขาต้องให้สัญญาอะไรอาตมาไม่ทราบตรงนั้นแต่เมื่อเขาสัญญาว่าลงได้เครื่องบินก็ลงเขาว่าเครื่องบินนั้น่ะสนามบินยังไม่ว่างลงไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นคนนั้นบ้านเขา มีสารพักภูมิพ่อแม่เขาเคยถือสารพัภูมิบัดนี้คนนั้นมาบวชอยู่ที่อาตมาแต่ด้วยกับเจ้าคุณปัญญาอาตมาก็สอนเขาให้รู้สมมุติผีมันไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนถ้าจะกลัวผีก็ต้องกลัวคนนี้เองคนนี้มันสามารถตบตีกันได้อะไรกันได้ทั้งนั้นมันผีถ้่มันทำอะไรให้เราไม่ได้ถ้ามันดีมันปลูกบ้านอยู่ได้ไหคุณก็ถาม สรพระคุณมันปลุกเป็นไม่ปลุกไม่เป็นอา้าวคุณก็ไปง้อทาไมก็พ่อแม่พาถือมาพ่อแม่เรา็ อ, อย่างนั้นเนี่ยบางทีหาว่าพ่อแม่เรารู้นี่ก็ไม่ได้ก็ท่านไม่รู้ท่านจึงทาถ้าท่านรู้ท่านไม่ยอมทําถ้ามันดีมันต้องปลูกบ้านเองอยู่เองแล้วมันต้องการอะไรมันต้องไปหากินเองอันนี้มันหากินคนเดียวก็กไม่ได้ปลูกบ้านอยู่คนเดียวก็ไม่ได้คุณไปง้อมันทําไมผมไม่เข้าใจเขาไว้เลยผมไม่เข้าใจ พอดีรู้แล้วก็ไปพูดให้แม่ฟังแม่ไม่ยอมเลิกอีกแล้วคือคนทางภาคกลางชอบถือสารพระภูมิไปบ้านใดเมืองใดเท่นดินเ่นน้อยแ ค, แค่แค่ก็เอาสารพระภูมิไปตั้งไว้ตามเจรบ้านเปลี่ยนเชื่อจะอมาไปเห็นเปลียนบัด น, นี้ท่านสึกมาสึกมาก็ไปส่วนให้เพอให้แม่เอาสารพระภูมิเท่มอันนั้นก็ไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมจริงๆก็เลยอยู่มาวันหนึ่งมีมีหลานไม่สบาย สารพระกุ่มเขาว่าไปไปทําให้ลูกหลานเจ็บหัวปวดท้องทําให้มันสบายเนี่ยมันไม่สบายเขาว่าสารพระกุ่มไปต้องไปผิดอะไรไม่สะอาดเขาว่ายังไงทางพระกลางาถ้าไม่สบายที่เขาว่าสารพระกุ่มเนี่ยไปต้อง<ไ>ปเป็นผนะู้ถูกสารพระกลุ่ม <ไป S 2> อะไรไปผิดไปต้องอะไรไ ป, ไปผิดไปผิดอะไรไม่สะาบเขาว่าสารพระกุ่มต้องกินหมูผิดใจอะไรนั่นแหละเคยมีไหม ่เออนั่นแหละเขาว่าสารพระภูมิต้องกินหัวหมูเขาว่ต้องเกลีกินหมูด้วยวันนี้คนนั้นก็มาหาหลวงพ่อมานั่นหลวงพ่อพูดยังไงเขาไม่เชื่อคุณจะไปทํากับเขาทําไมเมื่อเขาต้องการให้เขาทําไปอย่าไปดูเขาเมื่อได้จังหวะได้โอกาสดูเขาต้องเอาก็เลยพูดให้ฟังวันนั้นเขาแม่เขาจะเอาหมูไปเลี้ยงสารพระภูมิคุณต้องเข้าใจน่ไปทําอะไรไว้ที่สําคัญอยจะให้เขารู้ พอดีแม่เอาหัวหมูจเจ้าหัวหมูไปให้สาราพระภูมิกินเขาไปทําอะไรไว้ที่ไหนไม่ทราบวันนี้เขาเอาหัวหมูไปบวงสวงสาราพระภูมิเอาไปยังไงไม่ทราบอาตมาไม่ไปเหตุด้วยแต่คนนั้นมันก็เป็นนั่งคอยจ้องดูแม่ไปกราบสาราพระภูมิด้วยพอกราบไปกลับมาไม่ทราบอะไรตกใส่หัวแม่ทันทีตกใส่หัวแม่เจ็ดแม่ก็ล่างไปทันทีเจ็บ เจบมากคนนั่งก็เลยกระโดดออกค้อนไปแม่แม่กูมากราบมาไหวเอาหมูไม่กินมึงก็ยังมาตีหัวแม่กูด้วยเาาวนี่ยนี่เราเป็นคมจริงเนี่ยคนนึกออกค้อนเป็นตีสายพระพูมเลยเมื่อตีสายพระภูมแม่กูมีความเจ็บมากก็เลยไม่ห้ามลูกสา ย, ยก็เลยเอาสายพระพูไปเทมันได้เนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันสําคัญที่สุดเนี่ยจิตใจคนจะยุดมั่นถือมั่ย สิ่งที่ไม่มีตัวตนอันเนี้ยก็เลยเอาสารพระคุณเทพอันนี้ก็ให้เข้าใจเอาไว้พวกเราเป็นมนุษย์คําว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีมนณนะไม่ต้องกลัวผีไม่ต้องไปกลัวอะไรอะไรอะไรทั้งนั้นก็ต้องตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยมนุษย์มันต้องเป็นยังงคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้พึ่งไม่ได้พึ่งได้แต่แต่บิดามาดาพึ่งได้ไอ้น้องเพื่อนฝูงพึ่งกันได้ผีพึ่งไม่ได้ เทดาพึ่งไม่ได้ลึกงามยามดีพึ่งไม่ได้สมมุติว่ายามดีนะสมมุติจะพูดให้พวกท่านฟังสมมุติว่ารถไฟจะออกเวลาสองโมงเช้านะสองโมงตรงนะแต่พอดีลงไปสองโมงตรงไปถึ ง, ถงสถานีรถไฟแข้งหักขาหาักรถจะเสียเงินอย่างเนี้ <c oughs> ไปไม่ได้ต้องสองโมงยี่สิบนาทีจะลงเงินได้ลงเงินไปมีโชคอย่างเนี้ย พอดีไปไม่ทันรถไฟมันจะมีเลืองานงานดีอะไรนี่มันไม่เข้าใจคนเราอันนี้เอาความจริงมาพูดให้ฟังนะนี่เราไม่ต้องเสื้อเลืองานงานดีอย่างนั้นว่าแต่เราจะไปเนี่ยรถไฟออกเวลาสองโมงเราต้องไปหนึ่งโมงสามสิบไปรออยู่ที่สถานีรถไฟเลกจะงามงานดีก็ช่างไม่นะไม่ดีก็าทำ แต่ไปให้ถ่านรถไฟเราวลาเราเดินไปนะอย่าไปนสนหลักสนต่อเนี่ยเข้าใจอย่างนี้อันนี้เนี่ยเลือกงานงานดีของหลวงพ่อหลอเข้าใจอย่างนี้จริงๆไม่ต้องไปดูมันเลือกงานงานดีไม่ต้องไปดูถ้าเราอยากรวยต้องซื้อขายให้เป็ดประหยัดอย่าพูดคำอย่าขายอย่านะพูดเพราะเพะนี่ก็คำว่าใครพูดไง คล่องดีเขาว่ามีสมาสิกถ้ามีสมาสิกมากๆมันก็ซื้อง่ายขายดีคนใดพูดจะไม่เพราะพูดคํำยาบคายเมียราคาจะถูกเ็เลยเขาก็ไม่เอาอันนี้เป็นวิธีซื้อขายไม่ต้องไปเสื้ออะไรนะั้นบันนี้วันนั้นอาตมาไปเปิดใต้ที่ที่นี่นตรงเนี้ยที่เขามามาเปิดใต้อาตมาไปเขาจะต้องการพระเก้าลูกอะไรปรมา โอ้มาเก้ารูปอาตมาไปองค์เดียวก็ได้ปไปป้ายแหละไม่ต้องการอะไรละคุณจะว่ายังไงอา น, น้องเขาไปคนเดียวแต่เป็นคนจังหวัดอุดรเนี่ยแจ็เป็นคนจังหวัดอุดรเจ็บแฟนเขาเป็นคนพัคกลางเป็นคนขอนบุรีเขาไม่เคยเขาไปแต่งงานไปที่จังหวัดอุดรเนี่อเขาเลยจมาอูที่นี่เดือนนี้ก็ยังอยู่ที่นั้ เ, เขาจะทำอิดทำอิดบละ ไปอะตมาก็ถามคุณจะทํำยังไงแม่ผู้เป็นเม่ยายกับพ่อตานั่นอยากให้เปิดป้ายมาเปิดได้ป <c oughs> ้ายไปเอาผ้าไปแขวนไว้ น, น่ะอยากให้แตมาเขียนอะไรน่ะอ๋ <c oughs> อดีแล้วน่ะคนจะซื้องายขายดีมีกําไรนั่นต้องพูดให้มันดีๆเนี่ก็ทําป้ายนี่มันตัวโต ๆ, ๆ, ๆแต่อเอาไว้วางอย่างนี้เขาเหตุต้ายตี้ๆออางนี้เอาไว้ก้นตังนี่อับฟ้าไว้บนดินนี่ยมันไม่สูงคนจะมองเห็นทําไม ต้องทําสูงๆอย่างนี้เอาขวางทางอย่างนี้เนี้ยเอาคนเดินมาทางนี้ให้เขาเห็นหรือรถมิดะไนี้เขาเห็นจะเอาไว้ทางนี้มันไม่ดีแต่เดินพูดอย่างนี้คุณต้องเข้าใจอย่างนี้เนี่ยว่าอะอันนี้มันเป็นภาษาบาลีคุณ <c oughs> ก็เลยพูดให้เรา <c oughs> นณโมตสัพพะคัมาโตลาหะโตสัมมาสมุทสัพ <c oughs> คุณรู้ไหมรู้รู้พูดให้ตมาฟังรู้ไม่รู้เลยนี่ ชนไทยถือศาสนาพุทธ ไ, ไ, ไ, ไม่รู้จริงๆเรื่องสำคัญจริงๆเลยคนไทยเนี่ยว่าศาสนาประเณร่างเดิมมอาตมาจะพูดอะ้างนโมตัสสะพระคโตภีร์โตอาตุสมานโมตัสสะแปลว่าขอนบน้อมนบใครน้อมใครนบน้อมพระพุทธเจ้านอกจากพระพุทธเจ้าคือใครนบน้อมพ่อแม่ของเรานอกจากพ่อจากแม่ของเราคือใครถ้าหากมีภรรยาสามีอยู่ด้วยกันก็ต้องเขารบกน้อมสามีภรรยา รู้จากหน้าที่ของตนถ้ า, ากมีเพื่อนฝูงต้องเคารพนุ่น้อมเพื่อนฝูงเราไม่ใส่หว่านนโมตตะแล้วขังศักดิ์สิทธิ์อันนั้นก็เรียกคนไม่รู้นโมตสตะพระคัมภโตอรหะโ ต, โตสัมมาสุเมทรเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีมันเป็นภาษาที่ดั้งเดิมนี่วะประเพณีไม่ใช่เป็นคนไทยอันนี้เป็นคนภาษาอินเดียนโมตสตะ พระควาโตแปลว่าขอนลกนบนอมแด่พระภูมิาภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหาโตแปลว่าผู้ไก่จักฆ่าศึกไก่จักกิเลสสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองและนำมาสอนเราเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะพูดน้โมตัสสะแล้วมันขังสักดิ์สิอันนั้นคนไม่เข้าใจก็เลยพูดให้เขาฟัง กเลยสวดให้เขาฟังอะที่เจอป้ายเจอเป้อยอะไรเนี่ยสต่ยันโตยันเจแล้วมันไม่สักติดมันไม่ขังถ้าคุณอยากซื้อง่ายขายดีพูดกับลูกน้องต้องพูดกเค้าให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่คุณได้เดือนนึงจากลูกน้องเดือนเท่าไหร่ต้องคำนวณทันทีเขาทํางานให้เราเราต้องให้เงินเขาสมมุติว่าคุณมีลูกน้องถามเขาวันเขามีลูกน้องห้าคนที่จะทําอีกบอกห น, นเขาไว้แล้ววันนี้คุณจ้างเข้ามาเดือนเท่าไหร่ แล้วเขาว่าจะให้เขาเดือนนึงเท่าไหร่อัต่มาเขาจะไม่ได้และบัด น, นี้คุณลงทุนสมมุติคุณจ้างลูกน้องมาสี่ห้าคนเนี่ยให้เขาเดือนละพันบาทสมมตินะไม่ใช่ของจริงนะนี่และบัด น, นี้ให้เขา 5,000 ันบาทและบัด น, นี้คุณมีกําไรเท่าไหร่คุณมีกําไร2องพันหรือสามพันถ้าคุณมีกําไร2องพันสาพันนั้นคุณก็เอามากเกินไปคุณให้เขาเดือนละพันคุณเอาสามพันคนเดือวมันก็มันก็แย่ เแล่วคุณต้องเอาเพียงพันห้าแล้วก็เอาเงินอันนั้นมาบวกกันเข้าอีกตัวแล้วคนก็ได้กาไรมากแล้วเพราะเอาคนนั้นมาทํางานให้เราเขาก็ได้เงินจากเราเราก็ได้เงินจากเขาถ้าคุณทําอย่างนี้เลาวคุณไม่ต้องออกนอกบ้านไปหาลูกน้องเนี่ยเขาก็เข้าใจก็เลยสวดนะครับฟังนี่เนี่ยธรรมมาจากสวดให้ฟังนะทีแรกพาไปสวดเป็นปริตะมงคล น, นะครับว่าน้โมตัตะพระคัมภโตอรหะโ ต, โตสัมมาสุรศาสตสามจบแล้วก็ พุทธังสังฆฉามิธรรมังสังฆฉามิสังขังสังฆฉามิทุติยัมปีพุทธังสังฆฉามิทุติยัมปีธรรมังสังฆฉามิทุติยมปีสังขังสังฆฉามิตาติยมปีพุทธังสังฆสามิตาติยมปีธรรมังสังฆฉามิตาติยัมปีสังขังสังฆฉามิคุณรู้ไหมเขาเขว่าเขารู้มีความหมายว่ายังไงไม่รู้อีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นมี่เขาว่านกแก้วนกขุนทอง พูดแล้วไม่รู้เรื่องอะไรห้าแปรเขาว่าอย่างเนี้ยพุทธังสนักขามีข้าพระเจ้าถืออาพระ์พระเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงเ้าว่าถ้าทำเหมือนกับพระพเจ้ามันกำจัดทุกกำจัดภัยได้จริงเขาว่าอย่างนั้นทำมังสนักขามีข้าพระเจ้าถืออาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงสังคังสนักขามีข้าพระเจ้าถืออาพระสง์ เป็นตำหนะเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงเขาไม่สช่แบมันขังศักดิ์สิทธิ์เราไปเข้าใจขังศักดิ์ปิดพระก็ไปสวดเอาเราก็ไม่รู้นี่เรื่องเป็นอย่างไงวันนั้นจะมาพูดให้เขาฟังทุกแง่ทุกมุมเขาก็เลยเข้าใจเข้าใจจะทําอีกไหมเอาแต่หลวงพ่อเป็นทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เขาว่านจะเป็นคนตป็นคนเป็นค น, น, ค, นคนบุรีอ่นะ ที่ที่แฟนผู้สายนะ่ยผู้หญิงเป็นคนจังอุดรเนี่ยพ่อตาเขาเป็นคนสะกนนอกคร น, คนแม่ยายเขาเป็เป็นคนอุดรเหมือนกันพ่อตาเข้าใจแม่ยายยังไม่เข้าใจลูกเขยก็เลยมาทำก็ได้ครับไม่ทำก็ได้ผมเข้าใจแล้วคนแต่คนคนเข้าใจไม่เข้าใจนี่แหละขว่ามันไม่รู้ทุบจุดลงไปเพื่ออะไรเทียนจุดลงไปเพื่ออะไรดอกไม้มาบูตามันเพื่ออะไรมันทําให้เราเสียเศรษฐกิจ เขาว่าโอ้ยเจตจิตมันเกินตัวแล้วหลวงพ่อมันแพงที่เราไม่รู้แล้วก็แพงดอกไม้ออาปูซาจริงจริงมันไม่ประโยชน์อะไรเท่า น, นี้อาตมาก็เลยพูดให้ฟังอาตมาเคยไปเทศบุญมหาศาสต ร, ร์ด้วยเขาพาขึ้นนั่งบนธรรมะโยมก็อดอกไม้ระมูซาเอาทูปมาจุดเทียนมาจุดร้อนแทบจะถายอาตมานั่งอยู่บนธรรมอาตมาก็ไม่รู้ข่าวนั้น นี่มันทำเรื่องอะไรเนี่ยคำว่าเอาบุญบุญมันช่วยอะไรได้มันไม่ช่วยอะไรได้อาตมา ก, ก็เลยโคตรให้ฟังดอกไม้อามาปูซาเนี่ไปซื้อเขาบอกเขาว่าซื้อมัดนึงห้าบาทคนแล้วห้าบาทมันได้ประโยชน์อะไรคุณมันก็ได้ดอกไม้มาปูซาปูซ า, าดอกไม้มีกฎหมายอย่างไรอาตมาไม่ได้ห้ามแต่พูดให้ฟังอันเนี้ยดอกไม้นี่หมายถึงว่าเราเอาดอกไม้ไปปูซาพระพุทธูกเนี่ย ให้หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอย่าเท็ดหน้าเหี้ยวคิ้วงออย่าทำให้มันโตดนี่ดอกไม้มันสวยงามอย่างนี้เอาทุบมาจุดื้นหไม้ถึงเรายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำดีพูดดีอย่างนี้มันก็เลยหอมไฟนี่ยมาใต้ทำไมสองเล่มกลางวันเท็จๆมาใต้ทำไมเพื่อประโยชน์อะไรอาตมาก็าไม่รู้ข่าวนั้นร้อนเท็จจะตาย เอาวีปรัร้อนกันยงกันยังเอาอยู่ตางนั้นแหละบูชาเอาบุญนี่มันไม่รู้เรื่องมันไม่เข้าใจดอกไม้กับจุดดอกไม้กับบูชาทุกกระจุดร้อนแค่จะตายเทียน <c oughs> เทียนสองเล่มเขาหมายทังคนมันมีตาสองตาดูให้รู้จักคนดีคนชั่วให้รู้จักหูเรามีสองหูฟังเขาพูด เขาหลอกลวงเราหรือเขาเป็นยังไงเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้กับเท่ากับเราไม่เข้าใจนั่นเองอันนี้แหละคนไทยเราถือศาสนาพุทธตามตามกันมาเท่านั้นมันไม่รู้เมื่อมันไม่รู้เราไม่เข้าใจสมัยหนึ่งอาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดสญนขูเขาเขาศรัทธาอาตมาอาตมาไปข่าวนั้นไปแสดงธรรมที่จังหวัดสยนขูมเขามีลูกเด็กๆ แต่ทีแรกเขาเด็กเด็กคนนั้นอายุไม่เกินสิบเอ็ดปีเอตมาไปเด็กจํานวนหลายคนเขาติดอาตมาอาตมาพูดเล่นกับเด็กเขาก็เลยชอบเขาก็เลยอยากมาอยู่ด้วยอาตมารพราแม่เขาก็ให้มามีเด็กหลายคนมาเขานะั้นวันนี้พอดีมาอาตมาก็ เ, าเลยเามาบวชเป็นเองเอามาบวชเป็นนี่ยอาตมาโกลผมให้โกนผม้ก็เลยเห็นเห็นหัวมันเป็นแผล อันนี้เพลิง อ, อะไรดิเขาก็ยังน้อยไปปูสาดอกไม้กับพ่อเขเยพอดอกไม้ไปปูซาปูซาอะไรปูสากระพทธลูกเขาไว้พอดีปูซาไปพอยื้อขึ้นไปยังไงก็ไม่ทราบเลยภาพพระทธลูกมันตกมาเส่หัวเด็กอีกแล้วมันก็เลยเนี่ยหัวเด็กแตกเลยหัวเด็กมันก็ร้องนี่มันร้นองให้กันมันกันเลยนี่เด็กพ่อก็ยังอุ้มลูกหนีไป แต่เรื่ก็ยังไม่โกฏิให้พระนี่เป็นอยังไงไม่โกฏิให้พระเลยอตาตมาก็ถามไม่ทมําไหมพระก็ไม่สงสารเธอเลยอาดอกไม่ไปพุทธาทุกวันทุกวันไหว้ทุกวันทุกวั น, ว น, วนเอาน้าําไปให้เอาข้าวไปให้เหมือนกับคนที่สื่อสาราพระกรู๊ปเช่นเดียวกันแต่เขาไม่เอาทิ้งอันลูกเขาไปปฏิบัติธรรมะ ก, กับหลวงพ่อเขาเลยรู้เขาเลยมาลอยพ่อเขาบอกพ่อมันสมมุตนินะอันนี้พระพุทธรูปเนี่ยอามันสมมติยังไง ก็เลยโกรธลูกสายเปล่าลูกสายเด็กมันไม่รู้มันก็ไม่ถอยเพราะฉนั้นผู้คงจริงนี่บัด น, นี้อาตมาจะเล่าเรื่องให้ฟังตอนนี้คงจริงสมัยนั้นอาตมามาอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยมาอยู่จังหวัดขอนแก่นบัด น, นี้คนหนึ่งเขาปลูกบ้านขึ้นมาเขาไม่สบายปลูกบ้านมาหลายปีแล้วไม่สบายบ้านนั้นมีส่คนด้วยกันมีพ่อตาแม่ยายกับอพ่อตาแล้วก็มีลูกลกเขย ลูกสาวลูกเขยลูกสาวหนึ่งบัด น, นี้เขาเขาว่าเขาถือทรมาเขาไม่รู้เขาไปซื้อตะกุดมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดอันหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบซื้อมาสองอันเอาให้ลูกเขยอันหนึง่งเพราะตาอันหนึ่งเป็นเก้าร้อยบาทหนึ่งเก้าร้อยสมัย น, ะนั้นน่ะมันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเขาเอาเดิมมาเอาเนีเป็นของรักษาเขาว่านั้น วันนี้เขาไปซื้อออกพระที่อำเภอหนองเรือมาอีกสององค์เมื่อเขารักกันพ่อตากับลูกเขยได้รักกันจริงๆซื้อมาคนละอันกันอีกแล้วหนึ่งซื้อมาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านปลูกบ้านกับไม่สบายนะครับว่าเขามันสักมันขวางมันเข็ดอะไรกับปลูกบ้านที่จุนโคนไปหาผ้ามาสวดเจ็ดวัดมันก็ไม่หายเจ็ดวัดแต่มาสวดกันไม่หายมันไม่สักติดมันไม่ขังบัดนี้อาตมามาอยู่ที่ขอนแก่น วัด น, นี้เขาเี่พะพระวิปั ส, สนาไปหาพระวิปั ส, สนาไปสวดดีงเขาถามสมัยนั้นมาอยู่ที่วัดโมกมีหลวงตาสององค์อาตมาเมื่อคํามมูคํามมู ล, ามามลพระวิปั ส, สนามูลอาตมาพอดีข่าวนั้นหลวงตาคนนั้นเขาเป็นสมภารเขาบวชทีนั้นเขาก็สร้างวัดนันขึ้นมาพอดีอาตมาจะไปพระหลวงตากระยับไปด้วยบัด น, นี้อาตมาก็เลยพูดวไปสองคนไม่แขังมันแข็งไม่ได้ ไปคนเดียวถ้าหลุงตาจะไปก็ไปคนเดียวถ้าหลุงตาไม่ไปผมไปคนเดียวนะพูดอย่างนี้ลุงตาก็ไปไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุนยลุงตานี่คํามุษอาธมาเนี่ยธรรมาต้องไปได้พี่เขาเอารถมันลากเอาไปด้วยลุงตาถ้านลุงตาจะไปก็ไปผมไม่ไปถ้านลุงตาไม่ไปผมไปแต่ศรัทธาเขาต้องการลงพ่อไปบัดหลวงพ่อก็ไปไปก่อนหลวงพ่อก่อนถ้าเทหลวงพ่อไม่รู้จัก ที่บ้านเัาเนี่ปลูกกี่ปีปลูกมาได้สองปีสามปีแล้วครมันเป็นยังไงเออเนี่ยลูกเขยก็ไม่สบายลูกสาเขาไม่สบายแม่ยายก็ไม่สบายผมสบายคนเดียวสามคนเนเป็นไข้ไข้หนาวหนาวาัางนะคพูดอย่างนั้นนั่นเป็นเพเรื่องอะไรเขาว่ามันที่บ้านนี่มันขวางเขาไวนะ้ปลูกซะจอมโพนเขาว่ามันเป็นจูมโพนทีนน่แล้วก็เขามาเอาผีมาปลูกไว้ที่นี่นเข้ว่า ผีตะปู่พี่อะไรน่ะที่นี่มันเป็นที่ปลูกบ้านผีเอาวันโอ้ก็ดีแล้วต่กูบ้านผีนบ้านเราถืออะไรถือธรรมเขาวันเอามาสมได้ไหมขออนมาให้สมวันนี้อันนี้ซื้อจากที่อำเภอน้องเรือซื้อเท่าไหร่อันเนี้ยซื้อแปดร้อยเขาสององค์พันหกร้อยเขาซื้อมาเนี่ยเอาลงน้ำได้ไหมผมผสมทุกปีเขาวันยังไม่ อาตมาเอาลงน้ำได้ไห ม, ไมเขาก็เอาลงได้เขาไว้เขาเอาน้ำน้ำเ็จกะละมังใหญ่มากะละมังเดียวจะให้ทําน้ำมนต์เอะเดียวเขากอนเลยอาตมาพูดแล้วเขาก็สั่ง เ, เดียวนะเอาพระลงสงน้ําก่อนนะกันเลยเอามาเอากะละมังมาซีใบ ย, ยังได้ <c oughs> จะร้วมกันไม่ได้กะละมังเนี่ยละมันต้องคนละคนละคนออกกะละมังมาซีใบเต็มทีเดียวน้ํามันเต็มมาได้มากันเอย ดูนาฬิกาดีๆแล้วก็ววเอาพระลงกับตะกุดลงแช่น้าไปในสุ้มองลัวอลไแบบ น, นี้ก็พูดเขาก็ลืมไปพูดเป็นเพลินเขาลืมสนุกสนุกไปอาตอมาก่อหรือว่าพระขึ้นมาพระตายแล้วอะไรเนี่ยผมกอยังไม่เลย อ, อ้จๆๆโอ้พระตายแล้วเนี่ยเขาตกใจแล้วพะเขาตายเันไม่ใช มันไม่หายใจหายใจไม่ได้เลยใครถามเขาอ่ะถ้าคุณมุดน้ำนี่เห็นเสื้อมงไหมคุณจะหายใจได้ไหมหายไม่ได้ท่ามันกลัวหายไม่ได้มันก็ตายด้วยคุณนลยพูดให้เขาฟังนี่แหละคนมันงมงายแบบไม่รู้เรื่องอัะไรเลยเอาพระมานี่ก็ดีแต่ะกุดอันนี้ก็ดีคุณเข้าใจเนี่ยถือตะกุดอันนี้คุณเข้าใจมันขังมันตักุดมันจะขังศักดิ์ิทธอันไหนคุณรักษามันไม่ใช่มันรักษาคุณ่ะ คุณไปเข้าใจแบบตะกุดอันรักษาคุณคุณไปเข้าใจแบบพระนีนรักษาคุณรักษามันเนี่ยเอาลงน้ําเนี่ยสโซโมกลัวแล้วคุณใช่ไหมครับมันไม่เหตุขึ้นมาได้คุณลุกน้ําเนี่ย <c oughs> <c oughs> พูดให้เขาฟังเขาเข้าใจเลยเข้าใจ แ, แบบนี้เอ๋อเข้าใจดีแล้วนะออกพระออกมานอะเอาเอะไรตามเดิมเขาเลยเอาให้หลงพ่อเลยหลวงพ่ไม่เอาแล้วว่าเอาไปคืนเขาดีว่ะเอาไปคืนเอาเลยคืนมา เขาไม่เอาแล้วครับซื้อมานานแล้วเอี่เอาให้อัตมาอัตมาก็ไปทิ้งกนะันเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรในการโพดอย่างนี้ครคุณเอาไปยั่วขายคนอื่นนะคนว่าคนขมิคุนทีใจะไปขายเนะีได้เงินมาเท่าไหร่ก็ยันดีกับพูดให้ขายอย่างนั้นเขาเอาไปขายได้ยอย่างไรก็ไไอซ่าเอี่ยบานเ้่นน่ะมาก็ทําน้ํามูลให้เลยเขาเขา้ า, ข า, ข า, ขาใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นตีนอเก็เป็นอย่างนั้นเราอยากไปซื้อมันคุณต้องเอาดีๆเอาเกลี้ยงดีๆแต่มาก็จมน้าโมตระทุกทางทำมาเนี่ยให้ฟังแล้วก็แตให้ฟังว่า โยจักคุ ม, มาโมหามาลาปกะโทอันนี้เป็นภาษาบาลีคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอนี่เขาไปทําน้ำมหมดให้คุณ<ม>โยจักคุ ม, มาโมหามาลาปกะโทแปลว่าท่านพระองค์ไหนมีพระปัญญาจักรตุไม่ใช่ปัญญาจักรตุตานะปัญญาจักรตุใจยีหนะะ้ามีภาะปัญญาจักรตุขจัดมนต์เห็นคือโมหะเสียแล้วนี่ยกำจัดค่มลงอันนี้เสียแล้วมันไม่สื่อคุณคุณเข้าใจว่าสาหมังมาพุโทโธสุขโทงตัวสเด็จไปดีแล้ว คือไปดีมาดีนั่นเองคุณมอย่าไปกินเหล้าอย่าไปเล่นไพ่อย่าไปเที่ยวกลางคืนโดยละเลยหลวบตัวไปคุณต้องเข้าใจอย่างนี้เขาเข้าใจดีก็เลยทำน้ำมนต์หให้คนนั้นคนนี้กะละมังใคระกะละมังเราไปอยากทั้งหมดตัวเลย <c oughs> เปียเมือนร็จจันรมาเขาเอาถูว่้ถูบ้านให้มันดีวะ่ะถูมดีๆนี่มันเป็นยังไงวะถีมันจะหายมนี้เราอ่ะเอาแต่มาพูดเป็นกาลังใจเขา พูดให้กำลังใจเขาถูบ้านเรียบร้อยแล้วแบบนี้เขาให้ไปดูตารางใต่ทุนก็ได้ไปได้ว่ะแต่มาก็ไปมันจะมาไม่เคยมีครังศักดิ์สิทธิ์แล้วมากลรอไต่ทุนนั่นไปเขาไม่อยากให้ล้อเขาอยากไปสุดถอดสุดถอนไม่ต้องถอนที่ดีเนี่ยถอนใจคุณมาถอนใจเนี่ยว่ะเขาว่าอะไรอันมาโกลืมไปเนี่ยที่ที่ไปสวดทอดสุดถอนเขาว่าให้เขาฟังมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรลนะไปะดูกัเนี่ยมันจะเป็นอะไรวะ มันจะสับสิตธ์อะไรเอาไปทิ่งใส่ไฟนี่มันจะสักสิทธ์ด้วยอ้าวไฟเผาเนาะครับดูคนนี้เอาไฟไปเผาแล้ก็ไม้เนี่ยคุณถ้ามันจับสิตธ์ไฟต้องไม่หม่ะไฟไหม้เผาเป็นทานไปทั้งหมดเนี่ยไม่ดีเนี่ยนี่เนี่ยจะมาปรับคนเข้าใจวันนี้อาจจะมามาวัดมาวัดเลยวันนี้เขากะนําออกเป็นตัวไปส่งเลยหายเลยเนี่ยมันไม่เข้าใจคนไม่จิตใจมันอ่อนแอเมื่อไม่มีที่พึ่งก็พิ่งไปักก็ดี กพ่งเนี้ยก็ดีเพึ่งผีเพิ่งเทวดาเพิ่งนางทรณีมันไม่เข้าใจคนพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรวะอตาหีอัตาโนนาโตตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นหาไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้อันนี้เรียกเป็นคนณให้เขาฟังมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรนะกระดูกนี่มันจะเป็นอะไรวะมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรไปขึ้นแต่ไฟนี่มันจะศักดิ์สิทธิ์ด้วเอ้าไฟเผาเนาะกระดูกวันนี้เอไฟไปเผาทำไมเนี่ยคุณ ถ้ามันสกิดไฟก็ไม่ไหม้่ะไฟไม่เผาเป็นทานไปทนกัมมุดเลยไม่ดีเนี่ยนี่เนี่ย จ, จะมาปรับคนเข้าใจบทบันนี้อาจจะมาม า, มาวัดมาวัดเลวบันนี้เขาจะนอาออกเป็นตัวไปส่งเลยหายเลยเนี่ยมันไม่เข้าใจคนนี่จิตใจมันอ่อนแอเมื่อไม่มีที่พึ่งก็พึ่งไปยันหนก็ดีเพิ่งยันหนักก็ดีพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งนางทรณีมันไม่เข้าใจคน ถ้าพุทเจ้าท่านสอนอะไรอะอตตางีอัตโนนาโหตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นหาไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้อันนี้เรียกวเป็นมนุษย์อย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นมนุษย์ดังนั้นท่านทุกคนทั้งหลายที่ฟังนี้อย่าเป็นคนให้เป็นมนุษย์พัฒนามนุษย์ขึ้นไปให้มันเป็นเทวดาถ้าจะไปแง่เทวดาเป็นอื่นเป็นพรมไปอย่างนั้นหรือไม่เป็นแง่เทวดาไม่เป็นอินเป็นผมพัฒนาจิตใจให้กลับเข้ามาเป็น พระพระแปลคุปเสดเคยได้ยินไหมถ้าท่านสวดไว้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อพูดถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอาตมาจะพูดเรื่องสังฆคุณให้ฟังแปละนะสุ ป, ปฏติปโนโภะคะวะโตสาวกสังโฆเป็นภาษาบาลีฟังไปดูเรื่องสุ ป, ปฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระพิกษุภาคเจ้านั่นเนี่ย นั่นเปว่านายก่นายขอนางกอนางขอผ้ากอผ้าขอเนยกอในเนขอนี่ยปฏิบัติดีแล้วคนที่ปฏิบัติดีนั่นเองเป็นพระอุทูปติปโนพระกวโตสาวกสังโคสงสาวกของพระฮวีภาคเจ้านายโมได้ปฏิบัติตรงแล้วคือปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาไม่โกหกไม่ลอกลวงไม่โกหกตัวเองไม่โกหกเพื่อนฝูงไม่โกหกบิดามารดานี่เขาว่าแปลว่าปฏิบัติตรง ต้องต่อหน้าที่การงานเช่นพวกหนูหนูคนเดียกันถ้าเป็นครูโรงเรียนต้องสอนหนังสือถ้าเป็นตำรวจทหารต้องรักษาป ล, า ป, ลาปามโจรผู้ร้ายรักษาประเทศาต้บ้านเมืองนี้เขาว่าเป็นผู้ปฏิบั ต, ติตรงอันนี้ท่านสอนอย่างนั้นยายญาติปติปโนพระคัมรโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระคุยภาคเจ้านั้นโมไดปฏิบัติ เมื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนี่ยตอนนี้ฟังให้ดีๆคนสมัยนี้ไม่รู้ทุกข์เมื่อไม่รู้ทุกข์ก็อยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนเอาทุกข์ไปด้วยหรือไปด้วยทุกข์นี่เพราะมันไม่รู้ทุกข์นั่นเองนี่คนโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นกงจากเป็นดอกบัว่างเงเห็นนรกเป็นสวรรค์อย่างไคนถ้ากุก้งใจว่ากินเหล้าแก้กุ้ม ไปดูหนังแก้กุ้มฟังลําแก้กุ้มไปดูแค้งมากแก้กุ้มมันเพิ่มกุ้มมันเพิ่มทุกมันไม่ใช่แก้ทุกกันถ้าคนมีปัญญามันก็ทำไมต้องไปเอ๊ะมันทุกเพราะเรื่องอะไรทุกเพราะเรากินเหล้าเราเลิกทุกเพราะเราสูบบุหรี่เลิกทุกเพราะเรามีเครื่องแต่งตัวมากเราก็ถอนออกนี่มันก็ต้องรู้จักนะเมื่อเราทุกสนิยแก้ทุกสนิได้อันนี้เลยว่ามนุษย์มันต้องเข้าใจอย่างนั้น อันนี้สายพระมให้เข้าใจอย่างนั้นสามีจีปฏิปนุภควาโตสาวกสังโคคือผู้ที่ปฏิบัติสมควรในทิทางจตานิปุริสายุคานิอัฏฐปุริษานุปุคลานิคู่แห่งบุรุษจ้าคู่นับเลียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสภควาโตสาวกสังโคนั่นแหละสงสารกของพระเมภาคเจ้าคำว่านั่นแหละนี่ก็หมายถึงบุคคลที่รู้จัก แล้วออกจากทุกถามพวกพวกเธอทั้งหลเธอกดขึ้นมาสบายใจไหมไม่สบายเล้วมชอบไม่ชอบคนโกรธเนี่ยไม่ชอบจะให้มันกลัวขึ้นมาทําไมไ ม, มันโกรธเองมันโกรเองเนี่ยเดืนี้เนี่ยเดืนี้มันมีโกรธไหมเนี่ยคนโกรธไม่มีแต่เราไม่รู้อันนี้แบบผีมันอยู่ที่ตรงนี้เองคนโกรธขึ้นมาเขาว่าไอผ้ผีหน้าตาเหมือนผีคนจริงโกรธไม่มี เราไปเข้าใจตัวธรรมกรรมฐานไปเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดามันเข้าใจผิดนี่ฟังดีๆนะตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับ้ายจีวรเราอยู่จับนิ้มือเราอยู่ก็ไม่เห็นธรรมเพราะไม่เห็นเราแน่คันเห็นธรรมก็ต้องเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นเสียคนคุณสมัยนี้ไปอย่างนั้น บางทีก็เห็นทำเก็ต้องเห็นแก้วดวงแก้วนี่เป็นนั่งภาวนาอะไรก็ตามเห็นดวงแก้วลอยมาเขาว่าอย่างนั้นมีค น, นที่บ้านอาจจะมาเป็นครูซะด้วยัะคนนี้ไปทาวิปัสนาอยู่อมน้อยเขาว่าอย่างนั้นที่ไหนไม่ทราบอมน้อยวัดคนน้อยต้องไปนั่งมาเห็นดวงแก้วเข้ามาในหน้าอกนี้นเห็นพระพุทธรูปเหาะมาในหน้าอกนี้เขาว่าเนี่เขาว่าอย่างนั้นอันนั้นเขาว่าคนไม่เข้าใจ จะถือว่าอย่างไรก็ได้เพราะว่าเป็นครูได้แท้ๆก็ยังไม่เข้าใจเมื่อมีอีกคนหนึ่งเขาทํากรรมฐานมาจากวัดตักน้ําทํามาแล้วจุดเอตีเขาว่าอย่างนั้นนี่อาจจะมาก็เลยคุณทํามาแล้วมันได้อะไรทําอย่างไรเขาว่านั่งขับสมาธิก่อนั่งหลับตาภาวนาพุโโทโธพุโทโธภาวนาและวัน น, นี้ก่อนมีดวงแก้วลอยมาเขาเลยว่าคุณเห็นไหมบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่แล้วคุณมันเข้าใจยังไงเนี่ยะ ก็ถามเขาว่าในมิต่ไม่ใ น, นมิต่อะไรนะหนึ่งมายาคนไม่เห็นจิตเ ใ, ใจตัวเองอะเอาทําดูคุณเขาทำพอดีเขานั่งสมาธิหลับไปตาไปด่าแตมมาก็คือเขามีกระเป๋าหใบแล้วก็มีกระจกตาหึอันเขานั่งหลับตาดีดด่าแตมมาก็จับเอากระเป๋ากับแว่นตาเขาออกไปให้เขาลืมตาอ่ะกระเป๋าคุณไปไหนไม่ทราบแว่นตาคุณไปไหนไม่ทราบมันมีคุณหรือมีโทษ มันก็มีโทษแล้วของหายแน่ทุนเลื่นสั้นไหนเขามีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเงินเดือนหมื่นกว่าบาทนี่เลยนจบท่านไหนเขาคงจะเป็นปริยานอะไม่ยอย่างไงไม่สาวเงินเดือนหมื่นกว่าบาทนะไม่จบปริญญาแล้วก็ยังโงขนาดนั้นปริญญาเขาว่าสั้นปัญญาแล้วนี่ทําไมไปรู้อย่างนั้นนี่มัเข้าใจผิดนี่แหละคนมันไม่เข้าใจไปจเจริญกรรมถานทําไมแบบนั้น มันได้ประโยชน์อะไรลื้นตาเนี่ยอตาตมาสอนอย่างนี้ลื้นตาไปไหนมาไหนก็เห็นเห็นคนไปคนมาก็เห็นมีอะไรมาพ่านหน้าเราเห็นจิตใจมันคิดเราก็เห็นอตาตมาเข้าใจอย่างนี้มี่ไม่มิตอะนี่ไม่เตียวเครื่องหมายเขาว่าอย่างนั้นคนนั้นต้องเอาเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปมันจะมีอะไรมันแปลว่าคนไม่เห็นจิตใจตัวเองมันนึกมันคิดมันหลอกลวงตัวเองอันนั้นเขาเรียกวามายา ดังนั้นพวกเธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเป็นสั้นปริยาก็มีนะเนี่ยพวกเนี้ยใช่ไหมปริยาตีปริยาโเนี่ยอย่าไปโง่อย่างนั้นถ้าไปโง่อย่างนั้นมันเสียหวังสเสียหลักเนี่ยไปอย่างคําว่าปริยาเขาว่าสั้นปัญญาคาว่านิมิตเขาแปลว่าเาครื่องหมายไม่ใช่ว่านิมิตเห็นสีแสงผีเทวดาอันนั้นเขาว่าไม่เห็นจิตเห็ น, หน ใ, จ ใ, จใจตัวเองจิตใจตัวเองมันคิดมันลอกลวงตัวเองมันเกินมายา มันเร็วที่สุดจิตใจที่มันคิดเนี่ยพอที่คิดแวะมันไม่เห็นเลยนั่งอยู่ ท, ที่ที่นี่แหละคิดไปถึงกรุงเทพทันทีคิดไปถึงที่ไหนทันทีทั้ทงเดียวคิดไปลถึงเมืองนอกมกัก็ไปได้เนี่ยจิตใจมันเร็วที่สุดอันนี้แหละเราไม่เข้าใจดังนั้นที่อาตมาพู ด, ด้วยอาตมากาได้ยืนยันรับรองได้เห็นก็เห็นจริงๆรง คนจะมาเอาของเราก็เห็นจริงๆไม่ต้องหลับตาไปทําการทํางานก็ได้วิปัสนาอาตมาไม่ต้องอยากทาอะไรก็รู้คิตใจมันคิดจะกรกขึ้นมาโอ้ไม่เอาแล้วทุกแล้วเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้แล้วมันจิตใจคิดยจะ อ, อยากได้ความสุขแลบวันอยไม่ได้สุขวันนี้พวกนี้มันทุกข์เข้ามาอาตมาเข้าใจอย่างนี้เราไม่ต้องเอาดีกับใครนี่เห็นธรรมต้องเห็นอย่างนี้เห็นตัวเหล่านี้เองไม่ใช่เห็นสีแสงผีเทวดา เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นเหล่านี้เองไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุเจ้าตายแล้วเราไม่เห็นแล้วเห็นจริงเห็นพระเจ้าก็จริงพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบนี่ทุกคนก็รู้สะอาดคืออะไรสะอาดกจิตใจของทุกคนมาสะาดอยู่แล้วสว่างคืออะไรคือเห็นจิตใจมันนึกมันคิดท่านสอนอย่างนี้สงบคืออะไร จิตใจมันจะคิดโกขึ้นมาไม่ได้ทุกเนี่ยท่านจึงสอนเอาไว้ว่ามีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกท่านดับไปท่านสอนอย่างนี้ไม่ต้องไปเห็นสีแสงผีเทวดาไม่ต้องเห็นอย่างนั้นเห็นกวามคิดของเหล่านี้เองเพราะคนทุกคนมันเป็นปกติคำว่าปกตินั่นแหละท่านวั น, นิพานจําเอาไว้ง่ายๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่า ฟังไม่รู้เรื่องมันจะไม่รู้เรื่องคำว่าปกติแปลว่นนานิพานนิพานแปความสงบสุขอื่นนอกจากข่มสงบไม่มีท่านสอนอย่างนั้นอันนี้ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดามันจะสงบทําไมนั่งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ถามพวกพวกท่านอ่ะจิตใจเป็นยังไงเดี๋วนี้นถาม ม, มันสงบไหมมันมันมีโกรธมีโลภมีหลงมาเดีมี้เป็นยังไงเฉยๆสงบสงบอันเฉยๆกับสงบอันเดียวกันไหมเนี่ เราไม่ไเข้าใจท่านว่าสุกุลนนอกจากข่มสงบไม่มีคาว่าค่มสงบในที่นี้ก็เป็นนั่งให้มาสงบอีกแล้วนี่มันเข้าใจผิดอย่างนั้นมันไม่เข้าใจอันเนี้จะขุมไม่เข้าใจที่มันก็เลยพูดยังไงก็ไม่สับคําว่าสงบนั่นน่ะมันไม่ได้ไปสงบอย่างสงบจึงมีอยู่สองอย่างสงบด้วยสงบใต้โมหะอย่างหนึ่งสงบด้วยสติ ป, ปัญญาอย่างหนึ่ง คำว่าสติปัญญานี้พวกท่านเป็นคนพักกลางอาจจะไม่รู้รู้ไหมสงบด้วยสติปัญญาปัญญากับปัญญาเนี่ยบ้านหลวงพ่อเรียกว่าสงบด้วยปัญญาแต่ทางพระ ก, กลางตามตัวนั้ตัวสงบด้วยสติปัญญาเลเข้าใจไหมเข้าใจว่าสงบด้วยปัญญาวันนี้สงบแบบหนึ่งสงบด้วยกนไม่รู้สึกตัวเป็นนั่งเ<ม>นี่ยคำว่าสงบใต้โมหะอันนั้นเขาเรียกว่าไปอยู่ในถ้าคนอยู่ในถ้าไปไหนมาไหนต้องลําคาน คนออกนอกถําไปไหนมาเนี่ยต้องสะดวกสบายเลยบันนี้คนสงบอันนี้ที่นี่นี่แปลว่าเราอยู่นอกถ้ำสมงบตัวนี้คือสมงบด้วยปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากโลภะคืออยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาแต่สมาธิไม่ต้องพูดถึงก็ได้สมาธินะเนี่ยแปลว่าตั้งใจทําการทํางานตั้งใจพูดตั้งใจคิดถ้าหากซื้อขายท่อตั้งใจอันนี้เขาเรียกสมาธิ ไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นนั่งเอาอย่างนั้นนี่ค่ะว่าสงบแบบนี้เรียกว่าสงบด้วยปัญญาสงบแบบนั่งทื่ออยู่คือคนอีกคนกวดเนี่ยอันนั้นเรียกว่าสงบใต้โมหะก็สงบมีอยู่สองอย่างอันนี้ค่าว่านิพพานมันต้องเข้ามาสายนี้นิพพานแปลปกติคำว่าปกติเนี่ยให้รู้จักคนปกติพอดีบันคิดปุ๊บเห็นปั๊บนี่เป็นปกติแล้วคนถ้าคนไม่ปกติ คิดไปร้อยอันพันเรื่องไม่เห็นกขาคิดตัวเองเลยอันนี้อ่ะผิดปกติดังนั้นศินจริงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางบัดนี้คนใดยังทําลายโทสะโมหะโลภะไม่ได้คนนั้นไม่ต้องมีสินไม่มีศินจริ ง, รงๆเรื่องนี้น่ะมันเป็นย่างนั้นถ้าพูดตามตามคําพูดของอาตมาเขา้าใจะยังไงศิน เป็นเครื่องําจัดกิยริสิ้นแต้วปกติพอดีคนคิดมันปุ๊บเห็นปั๊บเหมือนแมวกับหนูเนี่ยพอคิดปุ๊บแมวมันจับเอาทันทีพอดีแมวกับหนูเนี่ยมันมันของตรงกันข้ามอันนี้ก็เหมือนกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บสติมันจับทันทีจับคมหลงไม่เกิดขึ้นได้อันนี้แปลว่าเห็นเห็นเห็นทันทีอันนี้มันเป็นอย่างไรอันนี้แปลว่าสงบจากโทสะโมหะโลภะส่วนจิตใจของคนทุกคนมันมีคมสงบอยู่แล้ว เราไปสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกคนไม่เข้าใจอังคนไม่เข้าใจเลยมันทําก็ผิดพลาดไปฉะนั้นเองทท่านสอนอย่างนั้นมันเป็นปกติอันนี้จะพูดให้ฟังเรื่องไปปฏิบัติธรรมะที่ที่พูดพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมะเราเป็นนั่งปุ๊บอย่างนี้รับเดินไปก็ได้นั่งก็ได้พอดูเราดูควมคิดโอ้จิตใจคนนี่มันสะอาดสว่างสงบเดียด ที่ไม่สะอาดที่ไม่สว่างที่ไม่สงบนั้นมันไม่เป็นจิตไม่เป็นใจของเราเนี้วมันตป็นกิเลสมันเป็นอวิชชามันเป็นความทุกข์สิ่ใดสิ่งหนึดด่ง เ, เกิดขึ้นมาเราต้องเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามไม่ให้สิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเท่า น, นั้นเองไม่มีเรื่องอะไรถ้ามันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บหายไปเลย เ, เกิดปุ๊บหายไปเลยนี่แปลว่าเกิดขึ้นเราก็ดับไปเกิดขึ้นเราก็ดับไปนี่ท่านสอนเนี่ยอยากให้มันตั้งอยู่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็หมายถึงมันยึดมันถือเกิดขึ้นดับไปว่าเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามอํานาจของมันเดยอนัตตาบังคับอัตตาไม่ได้จะไม่ให้มันคิดมันไม่ได้มันต้องคิดแต่เราจะไปยึดมันอย่าเข้าไปในความคิดอันนั้นท่านสอนอย่างนี้นี่คือว่าทุกขังอนิจจ์อนัตตาการเคลื่อนไหวตัวอิริยาบทนั้นเป็นทุก เป็นตัวทุกครั้งเป็นตัวอริจังเป็นตัวหน้าตาอันนี้เขาเรียกว่าคนนั้นเห็นลักษณะไตลักษณ์ลักษณะทั้งสามไตลักษณ์ลักษณะทั้งสามเนี่ยไตลักษณ์เขาเขาเรียกว่าไตลักษณ์หรือลักษณะทั้งสามเขาไว้าตามคําพูดตัวหนังสือแต่อย่าไปเชื่อตามตัวห น, งวหนังสือเกินไปลักษณะทั้งสามนี่คือพูดง่ายๆคือการเคลื่อนไหวของรูกายอันหนึง่งรูกายหายใจอันหนึง่ง ตัวคิดอันนึงเนี่ยหลักจะในทางสาถ้าจะพูดอย่างนั้นถ้าจะพูดอีอย่างหนึ่งก็ทุกครั้งอันนี้จังอนัตตาเนี่เขาว่าอย่างนั้นมันต้องเป็นสั้นเป็นทีแรกต้องเห็นในอีแบบเป็นทุกทิกมือคว่ำมือหงายมือทิกตาตาเลือดซ้ายแล่ขวาเดินไปเดินมาหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นทุกอันนี้คนมองเห็นอันนี้ทุกแบบนี้แต่คนคิดจิตใจมันคิดุูขึ้นมาคนอื่นมองไม่เห็น อันนี้แหละคนเราตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นพึ่งไม่ได้อันนี้แหละเห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมคือเห็นธรรมเกิดขึ้นสะพอน่าในที่นั้นๆอย่างแก้มแง้มไม่เงี้ยงแข็งแทรเนี่ยเขาพวรอย่างนั้นเขาทําวัดกันอันนั้คือขึ้นสะพอน่าไม่ใช่เกิดขึ้นสะาอตาเราเห็นคือใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจมันเกิดขึ้นมาเห็นอันนี้เขาเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมเขต้องเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นสีเห็นแสง เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไปเห็นอย่างนั้นแปลว่าคนนั้นหลงคนนั้นไม่เข้าใจเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นตัวเรานี่เองอันนี้จะเล่าดิธานให้ฟังไม่ใช่ดิทานหรอกอันนี้อาตมาเคยพูดอย่างนี้อาตมาเป็นเด็กไปนอนนากับพอพออาตมาเป็นนัก บ, บวชทันว่าศาสนาพุทธนี่รวมไปได้ 5,000 ภนพรษาแล้วนี้จะมืดเจดวันเจ็ดคืน พ่อแม่เห็นกันกกินกันลูกเห็นกันก็กินกันเขาว่าอย่างนั้นพอเราให้ความเมื่อเวัน7คืนไม่ได้ต้องกินข้าวกินน้าอะไรเพราะไปไหนมาไหนไม่ถ้าไปตามกระปั้มกันกิงกันเลยพอแม่กิงกันลูกเกินกันไม่รู้จักใครเลยเมื่อเป็นสนาเ็วัน7จ็ดคืนแล้วพระพุทธรูปนี่พระพุทธรูปจะเป็นพระพุทธรูปไม่ก็ตามเป็นพระพระพุทธรูปของก็ตามคาว่าพระพุทธรูปเนี่ยให้ขึ้นเสื้อพระพุทธรูป จะเป็นพระเงินพระทองพระอิฐพระปูนพระนาคตาเน่าธาตุธาตุแก๊งแก้แกจุลละมณีธาตุนก็ตามมีดวงจิตวิญญาณไปเกาะดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้ายไปเกาะ อ, อยู่เท่ากับเล่นงาใท่ไหมจังงั้นแล้ว 5,000 พระวัสาแล้วในในระยะมันมืดเกี่ยว่าจะิดพระพุทธรูปจะเหาะไ ป, ไปลอยไปไปรวมตัวกันที่ใดไม่ทราบต่อ น, นั้นจำไม่ได้ท่านท่นานน้อยก่อน ไปถึงที่นั่นแล้วก็แตกต่อออกไปเลยพระพุทธรลุดแตกออกไปพอที่แตกออกไปแล้วดวงจิตวินนั้นจะรวมตัวกันเข้าดวงจิตวิญญาณเท่ากับเม็ดงานะจะรวมตัวกันเข้าเป็นลูกเจ้าสายสีตะคุ ม, มานเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาสแสดงทําให้คนฟังเจ็ดปันเจ็ดคืนคนในได้ได้ไปเกิดข่าวนั้นได้ไปฟังเท่ข่าวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอหรหันต์ก็มี เป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกิทาคาก็มีเป็นพระโสดาก็มีเป็นมนุษย์ก็มีเป็นคนก็มีท่นว่าอย่างนั้นแต่ข่าวนั้นมันคนน้อยที่สุดทันว่าอย่างนั้นคนเนี่ยอายุน้อยที่สุด9ปีหรือหปีอัพหรืมื่อสิปีตายท่นว่าอย่างนั้นเนี่ยท่านว่าคนนั้นน้อยมากที่สุดตัดไม่ไม็ดหนักเขือนไผ่เขื่อน้ําแอคเข้ามานว่าอย่างนั้นท่านว่ามันก็ดีเหมือนกันคนน้อยขนาดนึงพ่อปู่มันน้อยมันจะได้กินอะไรมาก เข้าใจว่า <ám> กินน้ําเนี่ยเอาลื่นไปเดียอากับน้ำหม้อของของจะอิ่เนี่ยอย่างนั้นมันเป็นไปนนมันเข้าใจไปอย่างนั้นอันนี้แหละเราเข้าใจผิดบัด น, นี้ก็เลยจะคนยุคน่านจะยืนขึ้นไปยืนขึ้นไปเจนอายุถึงแสนสองหม่นปีพุนขาวัยอันนี้ก็เข้าใจผิดอันนี้นจะมาพูดคนเดียวนะเนี่ยหลวงพ่อพูดคนเดียวถ้าพูดกับตํารานั้นไม่ได้ไมันเป็นอย่างนั้นต้อมาพูดตอนนี้ก่อนคือว่าพูดตอนที่พระพุทธลูกนี่ก่อน เพื ain, uh, urai, ่ลูกก็คือคนนี้เองคนเนี่ยสามารถจะทำตัวให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เปลี่ยนบเรีนพระพุทธเจ้าเอกนะพระพุทธเจ้าสาวกพุทธะคือพระอรหันต์พระสาวกพุทธะไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระอรหันต์แต่มีความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าคําว่ามีความจุขเท้ากันกับพระพุทธเจ้านี่แต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนเดียวกัน ถ้าพระพุทธเจ้านี่หมายถึงบุคคลที่ไม่เคยได้ยินตำรับำตำราตำรับตาราศูนย์พันไปหมดแล้วกับคนอายุนั้นแหละตายลงไปตายลงไปจนอายุห้าปีเอาหัวเอาเมียสิปีตายคนเหล่านั้นพัฒนากันขึ้นมาพัฒนานขึ้นมาแล้วก็จนมีพระพุทธเจ้าวาสนาทันไหววันนี้ตอนพระพุทธเจ้าในี่จิวพระพุทธเจ้ากับพระหลานที่เป็นคนละอันกัน ตอนนี้เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยมาพูดตอนนี้คือคนยุคนั้น5ปีเอาหัวเอาเมีย10ปีตายเมื่อมันเป็นสถานะพระพุทธเจ้าไปแสดงทําให้ฟังคนยุคนั้นผู้ที่เป็นคนก็เลยมาทําขวมมั่นสัญญากลวัวศิลธรรมเกิดขึ้นแล้วนี่บัณฑิ้ศิลธรรมเกิดขึ้นอย่างทั้นห้ดแต่จาไม่ได้หมดหรอกพิษทุกๆไปยังมนุษยศิลธรรมเกิดขึ้นแล้วก็บรรณิก็เลยมาพูดกันว่าเราหูตา แจ้งแล้วหูก็ได้ยินตาก็ เ, เห็นกันแล้วอยากกินกันตั้งแต่มื่อนี้ต่อไปพากันไปอยู่ใกล้ๆคนบันนี้นีดกันเลยว่าคนสามห้มโศกนนสีอะไรก็เลยไปอยู่ด้วยกันเป็นคนคุ่มหนึ่งไปอยู่ด้วยกันแล้วบันนี้ก็อนคนจุมนั้นก็เลยอ๋มันน้อยเกินไปน้อยเกินไปถ้าหากว่าอายุสิปีเอาหัวเอาเมียยีิปีตายก็ยังชัวง่ววก็เลยคนแล้วนก็เลยเป็นคนปากเค็มขึ้นมาทันที ว่ายังท่านสอนท่านท่นเล่าให้ฟังไม่ใช่สอนนะท่านเล่ฟังคนเร้เนี่ยก็มีอายุสิบปีเอาพัเอเมียยี่สิปีก็ตายแล้วบันนี้ก็เห็นมันตายเร็วเนี่ยยี่สิบปีโอ้ถ้านยังต้อกอดยี่สิบปีเอาผัวเอาเมียซะสี่สิปียังตายซะคนเนื้อก็ยืนขึ้นไปถึงสี่สิปีท่านมายี่สิบปีก็เอาผัเอาเมียบันนี้ก็ยังมันตายเร็วอะท่านยังต้องเอาสามสิบปีสี่สิบปี ยัองเอาฟัเอาเมียแปดสิบปีแล้วร้อปียังก็ตายก็ยังดีนคนรุ่นนั่นก็ยืนไปยืนไปสี่สิบห้าสิบปียังเอเมียร้อยปีตายก็ยัมีคนยุ่งนั่งก็เลยอ๋นี่มันตายเร็วเออยังเอาเอ า, เอาให้มีอายุยืนไปเหมกันวันนี้อายุร้อยปียังเอาฟัเอาเมียสองรอยปียังตายก็ยังดีวันนี้คนยุ่งก็ยืนขึ้นไปยืนขึ้นไปตามคำพูดนึงไงเฮ้ยมันยังตายเร็วอยวู่ร้อยปีสองร้อยปีตาย เอาอายุสี่รอยปียังตายสี่ร้อยปีเอาพวกคนยุกันยืนขึ้นไปสี่รอปีวา่ายังคนยุคนั้นก็เลยพูดอย่างใดได้อย่างนั้นท่านซอ น, น, นคนยุคนั้นก็เลยอายุห้าพันปีเท่านั้นจำไม่ได้แน่นอนตอนนี้มันมันยุ่งนะท่านก็เลยพูดไปพูดไปว่าอายุในห้าพันปีเอาปัวเอาเมียมื่นปียังตายก็ได้คนยุคกันยืนถึงมื่นปีวันนี้มื่นปีแล้วอตายเร็ว ให้เนี่ยหมื่นปียังเอาภูเอาเมียสองมืนปียังตายเนี่คนอยู่นั้นยืนข้ไปถึงแสนสองมืนปีคนอะยู่นั้นนั้นยืนแสนศูนสองหมืนปีคนนั้นแสนสองมืน ป, นะส น, สงมนปีแล้วกันเลยไปอยู่อายุยืนยุ่งแสนสองมืนปีกันเลยมาออเหล่านี้คือมานานตายนี่เอาพอิณพลนเนี่ยมันสลับซับซ้อนกรัแต่ยังมีทันไวแสนสองม่นปีไปไหนมานะกำลังขาเจ็บหลังเจ็บเอวอา ย, อยุเสมอจาก ห้าหมืนปีเอาครเอาเมียแสนปีตายพอดี้โคดีพอไหวเลยแบบนี้แสนสองมื่นปีก็ลดลงมาทันทีเลยมามาถึงแสนปีก็เลยตายแสนปีนี่ก็ยังตายเร็วยังนานตายอยู่เลยโอ้นานตายเอาอย่างนี้ก็ได้เอาสี่หมื่นปีเอาครวเอาเมียแปดหมืนปีตายไปแลยวก็เลยพคจอย่างนท่านรอให้ฟังเคยได้ยินไหมอย่างนี้ไม่เคย คนนื้กลมายืนสี่ 0,000 ื่นปีเอาหวัวเอาเนื้อแปนปีตายพอดีอายุคนอยู่นั้น8 0,000 ืนปีแล้วก็พาะีอริยะเต่จะมาตัดสลูทา่านวันจะมาเป็นคนเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ของราชสมบัติอยู่4ี่หมืนปี4ี่หมืนปีนั้นจะเป็นพระศรีอริยะเมตตาจะมาเกิดที่ตรงนั้นถ้าหากคนใดไม่ได้เกิดพร้อมยุคที่พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟัง7วัน7คืนคนยุคนั้นแหละถ้าหากผู้ใดเป็นพระละหัน ไปขอพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีไปเกิดยุโลกปัสติยีคมท่าวันเป็นพระโสดาพระสกิทาคากับมนุษย์นี่จะได้หมุนไปคบกับพระศรีอริยไมตไตรทันลันมันเป็นอย่างวันนี้พระศรีอริยไมตไตรนี่มีอายุสี่หมื่นปีเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะเป็นพระพุทธเจ้าสี่หมื่นปีรวมทั้งหมดมีอายุ8ปดห0ื่นปีทัันอันนี้อาตมาก็เพียงจําจากคํา พ่อแม่สอนแม่ไม่ได้สอนอันนี้พ่อก็ไม่ได้สอนท่าเล่าให้ฟังแล้วคนมันเข้าใจผิดท่านว่าคนลูกนั่นแหละคนแปดศอกอีกแล้วแบ น, นี้สูงโอ้โหแปดศอกจะไปหาไม้ที่ไหนมาปลูกบ้านอีกแล้วแบบนี้อาตมาก็มาคิดเออก็กระเสื้อไปแล้วคนแปดศอกเนี่ยเข้าไปในดวงเนี่ไปไม่ไหวก้มไปเลยบระเดียเอาที่ที่บ้านเราเนี่ยหลังคาเนี่ยไม่ได้สูงถแปดศอกนะแปดศอกสเมตรเนี่ ไปที่ไหนได้บ้าเนี่ยเข้ารถยนต์นี่ไม่ได้เลยเคลื่อนเครื่องบินนี่ไม่ได้ลนอนเข้าไปดันเนี่ยไมเข้าใจเลยจะเดินไปที่ไหนหัวจูฟ้าไปหมดแล้วนี่มันเป็นอย่างไงนี่มันคนเข้าใจผิดแตวมันเขเข้าใจอยังไงสื้อภาพเป็นไม้มาทเดียมมาตากาแฟไม่เป็นอย่างนั้นตัดผ้าโถนี่สื้อภาพเป็นไม้ยังจะได้เพราะมันแปดศอกนี่นี่เป็นอย่างนั้นอันนี้แหละเราให้สองอันนี้ไปว่าปลังปลาเราไม่เข้าใจแปดซอกท่านสอนอย่างนี้ ที่จะมาท่หลวง่เขาใจแปลกจอกนี่หมายถึงมากมีิโอแปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาอสิวะสัมมาวียมะสมาตาติสมา ส, า ส, ม, าสามาทิท่านสอนอย่างนี้คนแปลกตอบวต้องมีอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างอันแปกจอกอันนั้นโอ้โหมันไม่ได้เรื่องคนมันจะเป็นกันได้อย่างไหเนื่อคนกรมันน้อยลงมาท่านสอนมันใหญ่ขึ้นมา อาตมาไปเห็นที่ที่เขาขุดที่บ้านเสียงเนี่เคยไปบ้านเสียงไหมเคยเคยเขาว่ามีเขาดูกคนแปดศอกอะไรนั่นนี่นั่ น, น, นอาตมาไปดูเลยไม่มีคนะคนโบราณคงไม่ถึงกแปดศอกไม่มีอาตมาไปดูเลยหลวงพ่อไปดูเลยอาตมาไปวาดูที่คนต <รอ S 1> ายไปรุมมันตายเนี่ยอาตมาเห็นเท้ทเาตีนี่เป็นตูกแล้วเขาก็ลูกหัวว่าอย่างคนที่เหงาก็วาหนึ่งกับศอกหนึงเท่านั้นเอง ไม่ถึงห้าซองสักคนเลยอาจมาไปวานบางคนก็ไม่พอวาอาจะมาแล้วคนยุคนี้ก็มีเหมือนกันผู้สูงก็มีผู้ต่ำก็มีผู้ใดก็มีเขาขุดลงไปประมาณจากห้าหกองคนมันเป็นซั้นเป็นซั้นฝังขึ้นมาจะไปเขาฝังอะไรยังให้ทราบตอนเนี่ยเห็นขวนก็นมีขวนทองแล้ว ก, ก็ดาบก็มีแล้วคนยุคนั้นแหละตายแล้วเอาหม้อหม้อออมหม้ อ, ม อ, มอดินนะไปตั้งในหน้า อ, อกนี่เลยเห็นหม้อออมหม้อมอื่นตั้งอยู่หน้า อ, อกก็ยังมี เมื่อคนสมัยนั้นเป็นดอกเป็นลวงดีนะเนี่ยจะมาไปดูแล้วคนมันพูดกันประหลังประลาทั้งนั้นไม่มีคนจริงเลยแล้วก็มาขุดขึ้นมาเป็นสั้นเป็นสันถึงคนสมัยนี้คนสมัยนี้ฝังไปในจกักไม่ถึงพม็ดกับเก่งกระดูกกองกันอยู่ที่นั่นเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นสั้นอย่างนี้นะคนนี้ฝังอย่างนี้คนนี้ฝังอยู่ฝงแล้วก็ขุดไปก็กู้วงพอได้ไปถึงกองลูกคนตายแล้วเขเอาไว้วันนั้นเลย เขาไปซ่อมเท่านั้นเท่นี้ให้เป็เขะโลกหัวอยู่อย่างนี้แล้วเท้าไปอยู่อย่างนี้เนี่ยนะกขาป่าไว้ใช่ตรว น, นั้นนักขุดที่หน้าไปไปพบเจอลงไปลูดเขุดลงไปจนไม่พบคนมันจะมาไปวามันโอ้ยมันไม่เถื่อแปลกอกอันนี้แหละเข้าใจผิดอันนี้คนโบราณไม่เข้าใจผิดคือมัน ไ, ไม่เข้าใจแน่นอนคนยุคนั้นนี่ตามตามท่านไว้บอกว่าป่าซาผีดิบคนเนี่ยผีดิบมันไปอย่างนี้คนตายไป คิดถึงพ่อแ ม, เนนมเอ่เอาเข้าไปให้กินในภาษาเนี่ยป็นอย่างนั้นเอาเข้าไปให้กินในภาษาตอนนี้อาตอมา ก, ก็จําไม่ได้มากเท่าไหร่ตอนนี้บันนี้คันพ่อแม่ตายไปคิดถึงต้องเข้าไปกินบันนี้ยคันท่าว่าเป็นเทวดาบันบนี้ผีบันนี้ผีเข้าใจนะผีเคยได้ยินไม่เคยได้ยิอเปล่าผีผีนะครับผีฟ้าแล้วก็ผีบริษัทผีอะไรเขาว่าผีฟ้าเขามี ผีอยู่ตามต้นไม้ภูเขาก็มีเขาวัา<น>เคยได้ยินไหมนางไม้เร่งรักอะไรพวกนี้เร่ผีฟ้านเขาว่าผีเขาว่าผีเ ข, ขาว่าป่าซา่าผีดิบบ้า น, นี้คนตายไปที่ไหนเขาว่าอย่างไงคนมันไม่รู้นอตายทงต้องเกิดตามทงตายดงก็เกิดตามดงตายบ้านต้องเกิดตามบ้า น, นครับปลุกตุ๊กผีขึ้นมานคนมาทั้งสารพระภูมิในนี้มาเป็คือบพ่อตายแม่ยายเราตายไปแนละ้วเขาต้องเอาไปเรียกอย่างนี้เคยได้ยินไหมอย่างนี้เคยเคยรู้กันไหม คนตายทุงเกิดทุงเกิดคนตายเขาถ้าตายเขานอกบ้านเขาก็ไม่เอาเข้ามาไว้ในบ้านเขาว่าเกิดอย่างนั้นเขาว่าตายตรงไหนเไปเกิดที่ตรงนั้นเลยเขาว่ายังไงเนี่ยคนโบราณตอนนี้ถ้าเทวดาเนี่ยเขากลัวผีเจ้าเราลูกของกลัวเนี่กลัวผีกลัวเทวดากลัวอะไรเนี่ขันท่าตายตายได้บ้านเกิดในบ้านตายได้ป่าเกิดได้ป่าตายทุงเกิดทงคนตายไปไหนเขาว่าอย่างไ้ ตายแล้วก็เกิดที่ไหนก็ว่าอยู่พ่อคุณไม่ไม่รู้คนยุ่งนั่นพัฒนากันมาที่คิดพูดเนี่ยเป็นคนป่าซ้าเผีดิบคุณได้หลวงพ่อพูดนี่บัด น, นี้ตายที่ไหนเกิดเป็นบัดนี้คนยุง่งปัญห า, าตายนี่เป็นเกิดที่ไหนบัด น, นี้ก็มีเทวดาเขาว่าเทวดาคนนี้ท้าพอ่อแม่แต่ในปา ก, กเอาไปเข้ามันคนน่ากลัวเนี่ยนื้ศาสนาไม่น่ากลัวแต่เห็นต้นไม้ยักษโอ้โหน่ากลัวไหว้ผีเลยบัด น, นีเน้เรื่องมันมีไหวผีบัด น, นี้คนมันหัวแหลม คนก็อกหัวแดงก่อนไปอาศัย ต, ตัดต้นไม้จนคนเอาเข้าไปให้ผีกินไปให้เทวดากินีคนมันสลาก็ต้องทำท่าไปประยุก